ก่อนที่พ่อจะมาพูดในเทพหน้านี้ยิบนาฬกาขึ้นมนดูลูกรักให้เวลาตีสามผ่านไปเสียแล้วลูกก็อยาคิดว่าเด็กเกินไปสำหรับพ่อทั้งๆทงี่พ่อตอนเดินทางทั้งวันแต่ว่าลูกรักความดีของลูก พ่อเจเนตเจเนยยังไงไม่มีความสำคัญเพราะว่าพ่อเห็นว่าชีวิตของลูกก็ชีวิตของพ่อนี้ไม่มีสารความสำคัญไปกว่าความดีของลูกลูกของพ่อทุกคนมีความดีเกินไปกว่าพ่อจะห่วงใยในชีวิตของพ่อถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นประโยชน์แก่ลูก ถึงแม้ว่าเลือดเล่เลือของพ่อจะเกิดแห้งไปก็าตามทีหรือว่าชีพิ ต, ตินซีของพ่อจะสลายไปก็าตามพ่อทําทุกอย่างได้เพื่อลูกทั้งนี้พ่าอะไรเพราะว่าลูกของพ่อดีกว่าที่พ่อคิดไว้ว่าลูกจะเปด็ดีลูกทุกคนรักพ่อลูกทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพ่อ ลูกทุกคนพยายามสละผลประโยชน์ทุกอย่างเพื่อพ่อไม่มีใครเคยคิดว่าพ่อนี่ตั้งหน้าตั้งตาเบียดเบียนลูกไม่มีลูกคนไหนที่จะแสดงการลังเกียจในพ่อคอเห็นใจลูกที่ทิ้งกายงานทุกอย่างถูกเจ้านายเ้าดา่าเจ้านายเขาว่าเจ้าอะไรประพฤตเวลาในสิทธิ อย่างเปียกเทียจะพักร้อนได้แต่ว่าเจ้านายเขาก็ไม่ยอมให้พักร้อนทั้งนี้สนแสดงว่าเจ้านายไม่ชอบหนาเพราะว่ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพ่อมาทุกคนก็เสียสละเช่นกันบางก็ทุกๆคนนั่นแหละบางคราวก็ขาดงานขาดการทางราชการมาทํางานในศูนย์เพื่อสาธารณประโยชน์มีน้ําใจเสมอด้วยความบาตรสุดเด็จที่เจหัว และมีน้ำใจเสมอได้น้ำใจของพ่อพ่อรักลูกมากกว่าตัวนี่ความดีของลูกอย่างนี้เป็นปัจจัยพ่อรักยิ่งกว่าชีวิตของพ่ อ, อยิ่งนัขอลูกทุกคนจะรักษาความดีของลูกนไว้เหมือนเกลือรักษาความเข็มอย่าลืมนะลูกนะว่าเสียงมนุษย์คนดีเสียงพ่อจะเบาไปบ้างคนดีขอพ่อลูกให้อภัยกับพ่อ แก่พ่อต้งนี้เพราะว่าเวลามันเด็กเด็กก็เด็กไปชีวิตและร่างกายไม่มีความสำคัญของแก่พ่อถ้าพ่อห่วงมันมากเท่าไหร่ประโยชน์ที่ลูกจะพึงได้ก็จะน้อยไปเท่านั้นเพราะวันเวลาที่เราจะต้องพึงตายเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันมันมีเวลาแน่นอนดะนั้นถ้าเวลาใดพ่อมีโอกาสทำเพื่อประโยชน์ของลลกพ่อจะทาทุกอย่างเพื่อโลก พ่อจะไม่ห่วงใยอะไรในชีวิตของพ่อเพราะพ่อรู้พ่อยังไม่ถึงเวลาจะตายจะใช้อย่างไรมันก็ไม่ตายตถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆไม่ใช้มันเลยก็ตายในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้โอกาสมีก็รีบใช้มันเสียเจ้ากว่าจะใช้มันไม่ได้ เป็นอนุว่าเมื่อความนําริคิดว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเราก็ไม่ไว้วางใจได้คิดมาคิดไปก็คงคิดว่าท่านราชเลขาเพราะยกราบทูลให้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงทราบแล้วว่าพ่อจะเข้าเฝ้าด้วยคงจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นพ่อจึงยอมรับ ถึงวันเวลาพ่อก็เดินทางเข้าไปวันที่สิบสี่ตอนเช้าก็ไปเช้านักเป็นวันสงกลานในรูรัะอยู่ในช่วงระหว่างสงกรานพ่อก็ต้องเทศก่อนไปกินข้าวกันที่ประตูน้ำพระอินท์คุณระเบสเดิมารับกับคุณยาใจถึงเวลาข้าไปเฝ้าไปรอพ่อเพียเดี๋ยวหนึ่งพ่อก็คิดว่าวันนี้ยังไงยังไงพ่อต้องกลับเร็วพ่ต้องกลับวัด เห็นริมบาทสมเด็จพระเยรหัวพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาพระพักตรพระองค์สแสดงการเนหน็ดเหนื่อยมากทราบว่าแขกเข้าเฝ้าพระองค์วันนั้นก่อนหน้าพ่อถึงสี่ชุดแล้วพ่อเป็นชุดสุดท้ายสำหรับตอนกลางวันแต่มันก็ไม่ใช่กลางวันสิบหกนาิกาเสร็จแล้วต่การเข้าไปในคราวนั้นพ่อสินดดยอยู่นิดหนึ่งลูกรักนี่คุณ บ, บเดินำนำคณะกรรมการ ของบริษัทไทยออยที่หาผลประโยชน์ช่วยสูนสรงเพาะบคุคคลผู้ยากจนนณะกรรมการทุกคนพ่อไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งที่หน้าใหม่ๆนะถ้ารู้จักก็จะคุยกับเขาได้ดีตอนนี้คุณประเสริฐก็คงจะตื่นเต้นในการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพรอยหัวไม่ได้แนะนำให้รู้จักกับใครพ่อกระมานึกแม่ อะไรไปนิดนคิดว่าน่าจะคุยกันบ้างขอให้กําลังใจกับท่านวนนั้นพราท่านทุกท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการหางเงินหาทองเสียสละซัดด้วยตนเองด้วยช่วยกันจัดงานด้วยได้เงินมาแสนบาทอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าไปในวันนั้นแทนคุณรเรสเสริจที่ไม่ได้แนะนําพ่อเพราะนั้นก็มี ท่านพลเลอเอกิตแขงกัดุลอันดิตรัตก็ทรงกลาโหมเป็นผู้นำข้าเฝ้าว่านนคุณจิตแต่งตัวสวยแต่งฟอร์มขาวติดสายราชองครักมีกระบี่รู้สึกว่าคุณจิตนมขึ้นกว่าปกติตั้งหลายสิบปีถ้าพ่อคิดนะเป็นความรู้สึกของพ่อ คิดว่าสาวๆที่เขาไม่รังเกียจคนแต่คนยังนึกรักคนจิตมากในวันนั้นเพราะแต่งตัวสวยสําหรับคุณหญิงสุวรรณพานก็รู้สึกว่าจะมีหน้าตาอิจโรไปหน่อยและก็มีการเลื่นเรตามสมควรเวลาก่อนที่พระบาทสมเด็จเี่หัวจะเสด็จออกเจ้าหน้าที่เขาก็แดการซ้อมการเข้าประทวายพระองค์ ในเรื่องพระจ้อยู่หัวนี่พ่อขอย้อนบริบูนสักนิดแต่ไหมในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงแจกกับพ่อบอกว่าเวลานี้พระองค์ทรงเอาสั้นๆแล้วเวลาพระเดชดูจากเครื่องบินและรถก็ดีเข้าไปถึงจุดต่างๆในงานต่างๆที่ท่านไปเยี่ยมนต่างจังหวัดเข า, าขอเดชะพอเรื่งเดชะท่านั้นก็ บ, บอกว่าหยุดเถยุดเอะเรื่องเดชะไม่ต้องอยากจะทราบว่างานที่ทําน่ะมันไปถึงไหนแล้ว นี่เปคำว่าเดชะเดชเนี่พระองค์ไม่ต้องการต้องการงานอย่างเดียวเรียกว่าพูดธรมดธรมดาธรรมดานี่ท่านชอบอให้รู้น้ำระไทยเขาบาทสุนทรี่ัวไวตอนนี้นิดหนึ่งนะที่ตอนนั้นเวลาเขาซ้อมเสร็จก็ยืนยืนเข้าแถวปรากฏว่าคุณสีกับคุณยาใจและใครบ้างก็ไปทราบท้่จะเป็นเสียงคุณสีพูดมาบอกว่าหลวงพ่อขาสั่นซะแล้ว ทนี้ควรจะตื่นเต้นและมีความประมาทาาาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสนิทพระเจ้าอยู่หัวการตื่นเต้นการประมานี่สนแสดงเรื่งความจงรักภักดีก็ทราบพราะลยตอบไปบอกว่าให้ใจยาวๆที่พุนจะได้หายสัน่นลูกจะถามว่าพ่อเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเคยประมาทไหมพ่อก็ต้องตอบว่าในชีวิตของพ่อไม่เคยมีคําว่าประมาท แล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าประมาทไม่ว่าสถานที่ใดทั้งหมดพอมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าถ้าเรามาดีทักอย่างจะต้องไปกลัวอะไรก็หมดเรื่องใจมันก็ไม่ประมาทใจมันก็ไม่หวาดหวันหลังจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวเสด็จออกขอโทษนะขอย้อนหลังสนนิดหนึ่ง ก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวจะสด็จออกในที่นั้นมันไม่ใช่ที่จะคุยเอาไวายเพราะได้นั่งหลับตาให้สบายใจเขา น, นั่งลั่งหลับตาเนี่ไม่นั่งก็ไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินั่งหลับตาไม่มองดูใครให้ใจมันเป็นสุขต้องการให้ใจสบายเพราใจสบายเขาก็เห็นภาพภาพหนึ่ง รายกลดกับตายของพ่อมันแปลกนะลูกรักเห็นเป็นคนมากเลยกันผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างคมเผายุ่งเหยิงเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพของบุคคลไม่ใช่คนชาติไทยผิวขาวร่างสูงจมูกงด่งๆคางเสียม และร่างกายสูงด้วยพระเย็นคุมฉากมีเสียงบอกว่าคนพวกนี้แหละที่จะทำลายล้างพระบาทสมเด็จีจหัวจนเป็นศูนย์ความจงรักภักดีของคนไทยทั้งชาติแล้วเสียงนั้นก็ตอบตอบไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวจะต้องไม่ตายเพราะน้ำมือของคนขายชาติและคนทำลายชาติแล้วเสียงนั้นกลาต่อไปว่าจบจบในเรื่องรายของประเทศไทยก็จะต้องหลังเลื่อยกันบ้างตามสมควรนี่คนชอบโฆษณาริขชอบโฆษณาเดช ไม่ได้ฟังจากเทปแค่ น, นี้แล้วก็ไปโฆษณาต่อก็แล้วกันนะจะได้มีเหยื่อสร้างความชื่นใจจะได้ไม่กลุ่มใจว่าโอ้ไม่มีโอกาสด่าพระมหาวีระชแล้วคราวนี้ก็แสดงฤทธิ์แสดงเด็ดอีกแล้วเห็นไหมล่ะไปนั่งในวังบเดียวยวก็เห็นผีเห็นเทวดาแต่ความจริงนั่นไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินรกนะ ที่บอกอย่างนี้ก็สงสารว่าคนนั้นเขาจะไม่มีข่าวเขาจะได้ข่าวไปกราบทูลพระบาทสมเด็จเจ่หัวจะได้ข่าวไปโฆษณาว่ามหาวีระสแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดชาวบ้านอีกแล้วเขาจะได้มีความสุขโ พ, พ่อเกิดมาพ่อต้องการให้คนทุกคนมีความสุขเมื่อเขาต้องการจะมีความสุขเพราะเหตุ น, นี้พ่อก็จะพยายามทําเสมอเสมอ พยายามพูดสเสมอเขาจะได้ได้ได้ข่าวไปไม่ได้ข่าวแล้วเขาจะได้มีความสุขเป็นสุขจุดหนึ่งที่เขาจะเพึงได้พ่อก็ทําน้ําใจอย่างพระเวชนดอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์แต่ว่าในสมัยที่เป็นพระเวชนดรนได้สุราเป็นทาน ก็ถามว่าเมื่อทราบว่าสุราให้เป็นทานไม่เนียในสพระองค์ให้ทําไมสมัยในสมั ย, มยนั้นพระองค์ให้ทําไมพระองค์ก็ทรงตรัว่าเราให้เพื่อให้เต็มความประสงค์ของขบุคคลผู้รั บ, บเพราะบุคคลประเภทนั้นแจกเงินแจกทองเขาไม่ดีใจเท่ากับแจกสุราเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นท่านก็จึงให้อย่างนั้นพ่อก็เหมือนกันแต่คนนี้ก็อยากจะได้ข่าวดีข่าวเดชจากข้อ เพื่อไปแจกจ่ายกบันดาพวกกองของเขาแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเยหัวเขาก็ระกราบทูลให้ทรงทราบพ่อเกรงว่าเขาจะไม่มีกำลังใจจะหมดกำลังใจที่ไม่ได้ข่าวอย่างนี้จากพ่อพ่อก็เลยหาข่าวป้อนให้เขาเขาจะได้มีความสุขลูกจำไว้นะอย่างนี้ลูกอย่าทำกับอย่างพ่อเลยถ้าใจเขาลูกไม่ดีแล้วก็เขาย้อนเขามามันจะหวั่นไหว สำหรับพ่อไม่เป็นไรพ่ออยากจะให้เขาไม่ย้อนต่อหน้าพ่อจึงอยากจะรู้ว่หน้าของเขานะเป็นยังไงสวยแค่ไหนใครเป็นครูบาอาจารย์เขาที่สอนเข้ามาแบบนี้ความรู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์ีสอนให้ละเมืบบ่อบที่พระองค์พบกับาสุภิยะปริพาชกก น, นันทมานดโดนแบบนี้สมเด็จพระจินทร์ีเตือนพระบุญญาสนใจ เขาเน้นท่าว่าเราเลวถ้าเราทําความดีมันก็ไม่เลวไปตามคำเขโพูดท่าเขาส่งเสริมว่าเราดีแต่เราเลวแล้วก็ไม่ไ ด, ดีไปตามคำเขาพูดดีและเลวมันอยู่ที่ผลการปฏิบัติพระองค์สมเด็จพระทร์สวัสดิ์สุภาสอนอย่างนี้ลูกก็จงจําอย่าหวั่นไหวนะลูกนะแต่บังเอิญเขาแย่กล้ามาโต้กับพ่อต่อหน้าแล้วก็ลูกจะกอัวขนาลูกนะก็ อ, อยากจะพบเขา ทางที่ดีก็ท่านผู้มีพระคุณควรจะแสดงตนสักทีอย่าไปทำตนเป็นคนใต้ดินอยู่เลยรู้จักหน้ากันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันจะได้ให้ข่าวประเภทนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ข่าวนี้มากๆคร่าวจะได้มีความสุขกายสบายใจที่ได้ข่าวตามความประสงค์ไม่ทราบาการหาข่าวนี้ได้สินจ้างรางวัลเท่าไรก็ไม่ทราบ คุยกันต่อไปดีกว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหวัวทรงเสด็จออกมาพ่อรู้สึกสงสารท่านมากรู้สึกว่าพระพักของพระองค์ไม่สดชื่นทลายนักที่คําว่าไม่สดชื่นไม่ใช่บันเหนื่อยไม่ไม่ใช่แบบไม่สบายแต่ความจริงรู้สึกว่าพระองค์เหนื่อยเมื่อคนได้เสดถวายเมื่อคนจิตช่างดุน กล่าวคาถวายรายงานแล้วกับาทูลถวายรายงานแล้วก็ไปเสริจก็นำเช็คเงินแสนบาทไปถวายแก่พระองค์ต่อมาพระองค์ก็ทรงให้โอวัตว่าศูนนี้เป็นศูนที่พระองค์ทรงปราศรุกับพ่อให้ตั้งขึ้นมาทรงรับรองในวันนั้นแล้วกล่าวถึงใจความของศูนว่าศูนนี้ไม่ใช่ไปแจกอย่างเดียว มีความประสงค์จะช่วยในด้านการประกอบอาชีพด้วยให้กินด้วยให้ความรู้ด้วยให้วิชาการในการประกอบอาชีพด้วยให้แหล่งน้ำด้วยถือว่าให้ความสุขทุกอย่างแก่บุคคลเขาได้รับถ้าทรงตัดต่อไปว่าการให้นี่ถือว่าเรามีรางวัลเพราะองค์ไม่ทรงกล่าวว่ามีอานิสงส์ขอย่อนะลูกนะ ต้นทรงตัดประนันยาวมากท่านพ่อก็นั่งหลับตาเฉยหลับตาฟังมันสบายเพราะไม่อยากจะเดิมตามันคือเปลี่ยนการให้ในเราเป็นพูดได้รางวัลคือความดีเราให้ความสุขกับเขาในที่สุดความสุขนั้นมันก็ย้อนมาถึงเรานี่ก็หมายความว่าถ้าเขามีสุขเราก็ปล้อยสุขด้วย ถ้าเขามีทุกข์ดีไม่ดีเขาเป็นโจรเป็นขโมยแล้วเขายัมาปล้นเราเราก็มีความทุกข์หลังจากที่พระองค์ทรงให้อวาตเสร็จพระองค์ก็มาประทับนั่งคุกเข่าที่หน้าพอ่อพนมท่านพนมพน ม, น ม, มออย์อยู่วันนี้ทรงตรัสยิ้มแย้มแจ่มใสามากแล้วก็ทรงตรัสทังเรื่องที่พ่อมันทึกเสียงถาวายท่านก็กําลังป่วย เป็นนอนอยู่ที่ระยองชายทะเลเสียงคลื่นซัดก่อนที่จะบันทึกเสียงพ่อมองดูคลื่นแล้วพ่อก็มองดูตัวของพ่อว่าตัวของพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นในน้ํามันเกิดขึ้นมันก็สลายไปเกิดขึ้นสลายไปที่ยังมีคลื่นอยู่ก็เพราะว่ายังมีลมถ้าลมบมดว่าอะไรขึ้นก็หมดวันนั้นเหมือนกับชีวิตพ่อก็เช่นเดียวกัน มันจะหนุ่มมันจะแกะ่มันจะขาวมันจะดำก็เป็นเรื่องของคลื่นถ้าเท่าเรื่องของลมลมมันสร้างให้เกิดคลื่นถ้าลมหมดวมื่อไหร่เพราะก็ตายมันนั้นเช่นเดียวกับน้ําทะเลพระองค์ทรงตรัสว่าตอนนี้พระองค์ชอบมากเพราะว่าชอบดูคลื่นและเห็นชอบด้วยการที่ชอบคลื่นพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐานก็เพื่อเล่นเรือไปเฮงคลื่น นี่ก็ทรงวินิจัยต่อไปว่าคลื่นที่มากระทบขึ้นไม่เกิดแต่ลูกไม่ใช่คลื่นลูกเก่ามันเม็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นทดแทนซึ่งกันและกันในที่สุดเมื่มาก็มากระทบฝั่งหายไปแล้วก็อาจจะยน้ําก็พระกระเพื่อมขึ้นมาใหม่กลายเป็นคลื่นก็มาเทียบกับรมจิตของพระองค์เขไม่ลูกพระบาทสมเด็จพี้่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมฐาน ที่พ่อเคยบอกบอกลูกว่าให้จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสนาเย็ดใจจะได้แตกกิเลสง่ายแอนตอนนั้นพระบาทสมเด็จตอนหนึ่งพระบาทเสมด็จเจ้อยู่หัวทรงตัดว่าให้น้ำเกลือทั้ง 8, แปดหมื่นแปดพันเลยขอรับพ่อได้ถวายพระพร่าแปดพันแนตอนนั้นแต่ตอนนี้ให้ไปแล 10, 000, 11, 000้วหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทีสี่ระองค์ทรงตัดว่าผมสังเกตดูร่างกายหลวงพ่อผมไม่ไม่รู้เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงลูกรักข้าพ่อใช้กําลังกใจกายช่วยกําลังใจลูกก็บลูกอย่แล้วมันเป็นการหลอกตาคนได้ไม่อยากนะักแต่เนื้อแท้จริงๆริง่างกายมันกรอบเต็มทีมาตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าที่ลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีทั้งหมดภาร ก, กิจเกินลูกหลานมีกําลังใหญ่พอจะคุ้มตัวได้แล้วก็จะขอวางภาระ ตรง ต, ต่อไปว่ากับผมเห็นว่าคงจะไม่มีใครทรงตัวได้แน่นอนมั่นคงแม้แต่กับผมเองก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าดีเพะนั้นผมอยากจะขอรัตนาลงพ่อให้อยู่ต่อไปพ่อได้กล่าวถึงว่าเรื่องของคันห้าพ่อยึดถือไม่ได้เพราะอะไรๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของพ่อคันห้ามันจะเกิดกันห้ามันจะพังมันก็เป็นเรื่องคันห้า แต่ที่พยายามรวดรอบรักกำลังใจให้อยู่เช่นนี้ก็ห่วงลูกหวงหลานเพราะลูกหลานของพ่อดีทุกคนถ้าลูกหลานของพ่อไม่ดีขนาดนี้แล้วก็ลูกเอ๋ยไม่ต้องค่วงแกว่าแต่เสียงพ่อเลยแม้แต่ร่างกายของพ่อลูกก็จะไม่ได้เห็นบางทีลูกจานวนมากจะไม่รู้จักชื่อพ่อเสีย ด, ด้วย ถ้ากําลังใจไม่ช่วยเพื่อนลูกที่พูดนี่ไม่ใช่มาบนคนกับลูกพ่อคนเดียวทำความดีไม่เท่ากับลูกหลายคนที่ทำกับพ่อกําลังของลูกทุกคนรวมกันมากเป็นกําลังใหญ่กว่ากําลังของพ่อที่ให้ลูกเป็นความลีของลูกที่พ่อเทิดทูลว่าเป็นความดีที่ควรแกการ่อสทังเสริญอย่างยิ่ง เป็านั้นว่าในการต่อมาเมื่อทรงตัดหลายๆตอนก็ทรงตัดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะห้ามปราบร่างกายไม่ไหวก็ขอให้ตายพร้อมกันหมายความถ้าพระองค์สวรรคตพ่อก็ตายด้วยตายซะพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องห่วงกันพ่อก็ยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อเอาถ้าพระองค์จะสวรรคตเมื่อไรแล้วก็พ่อตายเมือนนั้นแต่เรื่องเขหันห้ามมิกรัก พ่อกระพูดไปอย่างนั้นใครจะไปบังคับขันห้าได้เรื่องที่พ่อพูร่างกายกรอบเพราะเขได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่ร่างกายเั็นกรอบเต็มทีแล้วจงทําทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปบุคคลพูดทรงอภิญญาจะเกิดมากจงสร้างแบบสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนที่ไว้ เพราะว่าเสียงที่บันทึกไว้ก็ดีหนังสือที่ทําไว้ก็ดีเวลานี้จะไม่เหมาะกับคนที่จะเกิดมาตอนหลังที่จะปฏิบัติตอนหลังให้ทําเสียใหม่ให้เหมาะกับบคุคคลประเภทนั้นๆเรื่องทํานี้พ่อก็ไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถ้าตอนหนึ่งพระองค์ทรงตัดรู้ว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเมื่อผมพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดกับผมหลวงพ่อบันทึกเสียงให้ผมเรื่องจิต ผมไม่พบหลวงปู่แหวนผมไม่มีโอกาสเข้าไปในโกติท่านเป็นครั้งแรกพอเข้าไปในโกติเข้าไปแต่ว่ายในมัส ก, การกราบท่านแล้วหลวงปู่แหวนก็บอกว่านี่มีมาไล่คนเข้าไปหมดคนก็อยู่ข้างนอกต่างเยอะต่างแยะเข้ามาแล้วคนเขาก็หนีไปหมดนี่ก็เป็นความจริงเขาเกรงใจพระบาทสมเด็จพระเอยหัวเขาก็เลี่ยงไปก่อนถ้าตอนนั้นหลวงปู่แหวนก็บอกว่าไอ้เรื่องจิตก็ไม่ใช่อ่า ตากับจิตคือจิตก็ไม่ใชตาตายก็ไม่ใช่จิตรวงความร่างกายก็ไม่ใช่การไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายวันนี้สุดท้ายก็บอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเราจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตพระองค์ทงตัสว่าเป็นน่าแปลกแต่พรับไม่น้องพ่อพูดเรื่องจิตกับผมบันทุกเทปบัน ท, ทึกแทบเรื่องจิตกับผมนุง้งปูแหวนไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่นอนผมไปหาท่านเพื่อพูดเรื่องจิต แต่วนี้พ่อก็ไม่ทราบว่าจะตอบท่านว่ายังไงแต่ความจริงพ่ออยาจะเดาเดาว่าหลวงปู่แหวนนะ่ะรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีความสำคัญมากยังวใ้กราบโทรลั่นบอกว่าสำหรับหลวงปู่แหวนถ้าเป็นพระที่มีสํานวนในการโคดดีมากและก็เป็นพระที่มีความสำคัญที่พ่อเคารพในท่าน แต่ก็น่าสงสารพวกคนบางคนที่พยายามเอาลูกปูแหวนไปขายอยู่ตลอดเวลาเห็นก็าโฆษณาว่าลูกเหรียญลูกปูแหวนประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนั้นแต่ถ้าว่าทำลูกก็มาแล้วก็ให้คนอื่นตกเสกนี่ต้องคิดเหมือนกันนะลูกรักนะแม้แต่พ่อก็เหมือนกันเวลานี้ก็มีคนส่งข่าวอยู่เสมอว่าพ่อไปปรากฏตกเสกที่นั่นพ่อลูกเสกที่นี่ พ่อเคยประกาศเขาแล้วว่า ง, งานปลูกเสกพ่อทําไม่ไหวดึกเกินไปเลยภารกิจของพ่อก็มากพ่อขอละหน้าที่นี้ถ้าใครอยากทำอะไรก็ขอมาทำที่วัดแต่ก็ปรากฏว่าเป็นโตที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องแปลกเมถ้าจะว่าทังแปลกมันก็แปลกเพราะนั้นว่าวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวทรงตัดรั่ได้ไม่นานนัก ร่องก็ส่งแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพอเท่านี้เนียครับพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมาก็ขอถวายพต์ก่นลาเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่จบพ่อลืมไปนิดพอ่อเนี่ยไม่ได้บันทึกมานะที่พูดนี่นะเมื่อคุยกันอยู่นิดหนึ่งพ่อก็กราบทูดให้งสงทราบว่าวันที่สิบห้าพ่อจะมาปักใต้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอฝากด้วยนะครับ พ่อเลยไม่ท่านบอกว่าฝากอะไรพ่อขอตัดบทว่าแตมาจะไปเช่นเดียวกับท่านหญิงภาวาดีที่ไปทํากิจอันเดียวกันแต่ว่าเวลานี้พ่อตั้งใจไว้ใหม่แ ล, ล้วลูกตอนก่อนพ่อไปอท่านหญิงภาวดีพวกพ่อเข้าป่าแตะพืชเวลานี้พ่อจะเข้าทั้งป่าและทั้งเมืองทั้งคนที่ในเมืองพ่อก็จะพบคนที่อยู่ในป่าพ่อก็จะพบ เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีละทิการเมืองผสมใจของพ่อพ่อถือว่าพ่อเป็นพระของคนทุกคนที่เคารพพระพุทธศาสนาหรือว่าถือว่าเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่เป็นของคนไทยทุกคนในประเทศไทยดังนั้นเขาจะถือละทิการเมืองประเภทใดก็ตามพ่อถือว่าไม่ใช่ศัตรูของพ่อ พอถือว่าทุกคนในโลกนี้เป็นเมตรทีดีของพ่อเป็นที่เป็นน้องของพ่อทั้งนี้พ่อมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเป็นญาติสนิทของพระองค์ทุกคนแม้แต่คนนี้ก็บอกว่าเขาคนอื่นคนอื่นเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อการดีอะไรก็ช่าง พระบาทสมเด็จพระยหัวไม่เคยเห็นว่าใครเป็นศัตรูกับพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมเยี่ยมหมดแ้าใครเข้ามาก็แจกเหมวยกันหมดนี่เป็นอันว่าธรรมะของพอระองค์สมเด็จพระบรมศรีกษตรในด้านพมีฐานสี่พระบาทสมเด็จพระย่หัวทรงปฏิบัติได้ดีแต่มีหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเร่องปลารือเรือนสุรามีอะไรบ้างที่แต่จ้าท่านหญิงมีควาดีก็ขอขอนุญไว้ที่ไม่มีความสําคัญ สำเร็จสำหรับเทพหน้านี้มองดูเวลาก็หมดสัแล้วขอลาก่อนลูกรักสำหรับเรื่องเกี่ยวด้วยพระบาทสมเด็จที่หัววันหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพรนี้ก็ ไ, ได้ก็จะเล่าให้ลูกฟังต่อไปอวบันดานลูกรักทั้งหลายย่อมมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทํำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาศสันดาษัมมาธรรมบุธเจ้าและพระอรนุทั้งหลายบรรลุแล้ว พ่อลูกหลของพ่อทั้งหมดยังเป็นผู้เข้าถึงทรรนั้นในชาตินี้ได้และโดยฉับพลันและทุกคนยมงมีโอกายเข้าถึงซึ่งพระ涅槃ในชาตินี้ทั่วโดยด้วยกันทุกคนเกิดสวัสดีพ่อพูดมันติดตึกกะกะไ้ลูกนะลูก่าเตรียมมากลองดูเวลานาฬิกา จ, จะตีสี่แล้วขอลาก่อนลูกรัก